คุณภูมิปัจจุบันอายุ21ปีคุณภูมิบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งอย่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชย้อนกลับไปเมื่อ2 ส, สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องว่าสยอง2เด้งเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณภูมิอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับคุณภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิมีเสียงมีขวัญชัดเจนไหมครับไม่ยินเสียงชัดเจนครับพี่ขวัแต่ว่าเสียงคุณภูมิเสียงเบามากเลยอะ นี่ผมปิดเลรถหมดแล้วครับอออย่างเงี้อย่างงี้ยอย่างงชัดเจนโอเคโอเคอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับผมชัดเจนดีนะครับแต่ว่าเบาเสียงวิทยุในรถก่อนนะวิทยุไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดนะปิดหมดนะครับโอเคน้องภูมิครับโทรสามจากตรงไหนครับเนี่ยคืนนี้ผมโทรมาจากสุราธานีครับสุราธานีแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยขับรถไปไหนเมื่อกี้กำลังขับรถกลับบ้านครับอืมพอดีเติดจากไอ้หอของแฟนเลยขับรถกลับบ้านครับอืม ก็เลยมีเรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญจเล่ากับเราฟังด้วยครับเอาละครับพร้อมไหมพร้อมครับผมตื่นเ้นมากนิดนึงครับเอาอย่างเงี้ยสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะโอเคเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องภูมิครับคือผมสองอาทิตย์ที่แล้วครับอ่าผมไปเอแฟนผมเขาเป็นแบบนางลำนะครับแบบอ่าไปลำอะไรต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ครับอืมครับแล้วก็ ผมกับแฟนนี่คือแฟนจะมีรถเย็นอีกคันหนึ่ ง, งแต่ของเขาจะเป็นรถเย็นแบบที่ขวัญเคยเนขึงนตู้ขึง เ, เก่งนะขึงนรถตู้ถึ้นรถเก่งนะครับออือมันนั่งได้หกที่นั่งครับแล้วเปิดประตูข้างครับมันรถตู้อะครับครับอ่าครับแล้ววันนั้นพอดีว่าคือรถรถผมมันมีเกียร์ธรรมดาแล้วผมเอ่าคือมันเมื่อยครับเลยเอาออโต้ก็ดีกว่าครับครับแล้วก็ผมก็ไปมันห่างจากบ้านผมนะอะนครศรีธรรมราชสุ ร, ราษฎร์ถามประมาณกับ สองร้อกว่าโลครับอืมอ่ามันเข้าในตัวเมืองเลยครับครับแล้วก็พอดีผมบอกว่าเออเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวขับไปผมขับให้ก่อนอืมครับผมก็ขับไปกับแฟนไปที่คือมันจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนลุงเลืมาครับแล้วแบบเขาแบบจัดงานเรื่องแบบเกษียณอะไรเนี่ยแล้วก็มีนางลำมาลำแบบอ่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ดูอะไรประมาณเนี้ยครับครับแล้วทีมเป็นผมอ่ะรวมทั้งนัก ตีหน้าเครื่องดนตรีไทยอะไรตัวนี้มีประมาณเกือบเกือบเกือบยี่สิบแม่ครับรวมมาทุกอย่างเกอ้วถือว่าถือว่าเป็นวงใหญ่เลยครับเพราะเขาจบมาไอหน้าตาฝินนีีโดยตรงเนาะครับแล้วก็คือแฟนผมอะผมต้องบอกก่อนคือแฟนผมอะเขาจะนับถือพ่อแกเขาจะถักน้ํามันนับถือพ่อแกกับคือบ้านผมบ้านแฟนผมอะจะมีทิ้งพ่อแกทิ้งแบบไอเสียงของโนราครับจะเป็นเสียนครัวครับ คือแฟนผมจะนับถือแบบนั้นครั้นี้ผมก็คือไปรอแฟนที่ในในห้องห้องแต่งตัวครับอืมแต่แฟนผมมาแต่งตัวมาจากที่นี้แล้วผมก็ไปรอแล้วก็ในขณะที่เสียงดนตรีไทยมันก็ดังครับคือค่อยจัดงานกันนะครับครับแล้วครั้นี้ผมนั่งนี่นอะไรไปแครับแต่ตรงที่ผมนั่งอะ่ะมันตรงกับกระจกครับ อ่าพี่ที่ขันลองนึงกภาพคือมันตรงกระจกออืแล้วก็ก่อนก่อนกระจกอะมันมันจะมีโตะ๊ตะโตะ๊ตะโต๊ะยาวเลยครับอ่าแล้วก็มีเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ออออคือกระจกตรงนี้มันจะเป็นกระจกสามบานสี่บานเพื่ไว้แบบแต่งหน้าอะไรเป็นนี้ครับออืเป็นกระจกใหญ่เลยผมก็นั่งนั่งเล่นเกมนี่เลยก็แซ่บทันทีผมคือรู้สึกับครับว่าใครอยู่ด้านหลังคือแบบเมียครับเอ่าและผมก็เลยมองแวะไที่กระจก คือผมเห็นชุดนางรําคนใส่ชุดนางราเลยนะครับคืออยู่สวยมากเห็นหน้าเขาแบบเหมือนคนเลยนะพี่ขอัอคือสวยทุกอย่างแต่เปลี่ยนตรงที่ว่าเขาไม่ได้แต่งชุดเหมือนที่แฟนผมแต่งอืออ่าผมไม่คิดว่าอ๋อสงสัยจะเป็นแบบตัวเอกมั้งคือแต่งชุดแตกต่างคือคนนี้โดนคนเอกมั้งอะไรตานี้เพราะเขานี้แต่ผมเลยจริงๆอ่ะคือเขาไม่ได้แต่งแบบเหมือนในยุคเราครับพี่ขวัญ คือเขาแต่งแบบเหมือนยุครลหะโลหะอะไรประมาณนั้นนะครับอืมคือใส่ชุดมีลายดอกแบบคแล้วก็ลายแบบมันไม่ใช่ลายลายที่คือลูกคือใส่เสื้อใส่เสื้อเหมือนมีลายลูกไม้มีลูกไม้มีอะไรอย่างเงี้ยเหรอนุ่งโจงกระเบนอะไรอย่างเงี้ยฮะครับอ่านุ่งโจงกระเบนมีถุเท้ายาวเอแต่ไม่ใส่รองเท้าครับแล้วก็เครื่องประดับแล้วนี่มันเหมือนสมัยโน้นที่เขาคิดกันแล้วอ่าแล้วคราวนี้ผมก็มองมองทางกระจกผมไม่ได้หันไปพอผมมอง ก็เห็นว่าเขายืนอยู่ยืนหันหลังให้ผมด้วยนะอืมคือหันหลังหันข้างๆครับคราวนี้ผมก็ลองว่าเออคือผมจะทักว่าเอาพี่มาทําอะไรเหรออะไรแบบนี้ครับแต่พอผมหันไปไม่เห็นอะไรเลยพี่ขวัญอ้าวแล้วตอนที่แบบเมื่อกี้คืจะเห็นนั่นนี่คือไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวนะตอนตอนที่ภูมินั่งอยู่นั่งเล่นเกมอยู่แล้วมองผ่านกระจกเงาถูกไม <S <s <S <s หมฮะพอผ่านกระจกเงาเนี่ยเขายืนเขาเขายืนอยู่ห้งไหนอยู่ดูไหนทางซ้ายทางขาวา ผ ม, มนั่งนั่งนั่งอยู่ตรงไโต๊ะเครื่องแปง้งประมาณนี้พี่หวนอ่าแล้วไอ้หลหังโต๊ะเครื่องแป้งจะมีเก้าอี้อแถวหนึง่งแล้วก็โต๊ะยาวแถวหนึง่งนั่นนะ่ะเขาอ่ะยืนอยู่ตรงหลังตรงโต๊ะอ่นะครับยืนอยู่ห่างจากผมคือแค่เที่ยมหนึ่งแค่ประมาณอถ้ายืนอยู่ก็ประมาณสามสี่คนอ่ะคืะะหันไปหันไปยังไงก็ต้องเห็นถูกไหมอ่าครับคือยังก็ต้องเห็นถ้าหันไปถึง เพรเมื่อกี่เรา ย, ยังเห็นเขาในกระจก oh. แต่สิ่งที่ผมเห็นคือมีแต่ความวา่างเปล่ากับเสียงดนตรีไทยที่เขากาลังเล่นกันอยู่ครับ oh, oh, oh, oh. แล้วผมก็คิดว่าคือในใจนะผมคิดแล้วว่าเออสงสัยคงเดินนั่นแหละแต่ผมไม่ค่อยได้นับถืออะไรพวก น, นี้เพราะผมมีอิจฉารามงั้นนะผมไม่เคยไหว้ไม่เคยอะไรแต่คือผมจะขอตลอดครับผมก็ไม่บอกแฟนอ่าแล้วคราวนี้ก็ขากลับคราวนี้แฟนก็อทําที่ละของเขาเร็จปุ๊บผมกลับกับ ที่ผมไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งอ่าเป็นโรงแรมที่สามสี่ดาวนะครับพี่ขวัญคืออยู่รู้เลย oh, oh. อ๋อ่าและผมแบบว่าเออพักแค่สองไอสองคืนอ่า <c oughs> ผมคิดว่าอยู่นี่สองวันนอนนี่คืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้ากลับครับแตครั้นี้ผมไปที่โรงแรมนั้นเขาพูดคำหนึ่งกับผม <c oughs> ผมไม่เคยได้ยินนะพี่ขวัญแบบเหย่าห้องสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> <c oughs> น้องจเจนะ้าไหมฮอ่มแต่ตอนนั้นอ่ะผมก็คิดว่าเออสงสัย ก็เหลือห้องสุดท้ายจริงๆเพราะมันถามไม่ได้แล้วไปหลอนมันประมาณปีหนึ่งกว่าแล้วหูดึกแล้วนะอืมครับแล้วก็ผมก็บอกเอาครับพี่อะล้วมีเขาไสกดแจมานี่ห้องออีหนึ่งสองนั่นน้องอะไรชั้นสี่อะตรงไปสายมือห้องเลขเลยครับผมก็ไปทำธุระอะไรเรร้อๆแล้วผมอะเป็นคนแบบคือเคยฟังเนี่ยเด็กโชอะไรแล้วเขาบอกว่าเออ ไปถึงต้องเช็คทุกอย่างอ่าอะไรแต่เนนะีผมก็เช็คเช็คทุกอย่างอะไรแบบนี้แต่ผมอะไปสะ ด, ดุดกับมันมีตู้ไม้ครับตู้ไม้แบบเหมือนใส่ของหัวเตียงครับทวดตั้งอยู่ตรงหน้าห้องน้ําแต่ผมก็ไม่รู้อะไรนะผมไม่คิดจะเปิดผมไม่สนใจเลยออืพอคราวนี้ผมก็เช็คจบก็คือเอาขวดน้ํา ตั้งไว้หัวเตียงเหรียญบาทตั้งไว้หัวเตียงไหว้ขออะไรแบบนี้ครับแล้วมันมีเตียงคู่ผมก็ขอไปไว้เอตรงนี้อะไรแนี้แบบนี้ผมก็ไหว้ทุกอย่างครับพี่หอนไหว้ขออะไรกับ แ, แฟ น, น <S <S แต่แฟนผมคือเขาจะไม่เขาเชื่อเรื่องแบบนี้ที่โรงแรงแต่ผมมาเชื่อผมก็ไหว้ขออะไรแบบนี้ว่าลิกช้างขอมาพักคืนนึ่งอะไรแบบนี้ครับอืจ น, นแฟนผมเขาก็ไปห้องน้ําไปล้างพวกลิบติดอะไรพบบนี้ออกมาแต่พอเขาออกมา หน้าตาที่เขามองมองไปตรงหน้าหน้าทีวีครับเหมือนเขาแบบตกใจอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยวนะคือออก<ม>ข้อเขจากห้องน้ำครับผมแล้วเขามองไปตรงหน้าทีวีเหรอครับคือเตียงมันจะเป็นเตียงคู่ครับพุกคนอ่าแล้วไอ้หน้าหน้าเตียงคู่จะมีทีวีติดกับตั้มเพลงอันหนึง่งแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นกระจกบานเลื่อนตรงหลังหลังหลังทีวีก็เป็นกระจกบานเลื่อนคแล้วก็ห้องน้ําจะอยู่ขวาสุด แล้วก็ตรงข้างห้องน้ําอ่ะมันจะเป็นประตูเปิดไปด้านหลังได้แล้วก็มีกระจกกระจกแล้วก็โต๊ะเครื่องไอ้มีตู้อยู่ตรงนั้นหน้าห้องน้ำเลยตู้แต่เสื้อผ้าคี่ข อ, อ่าครับแล้วผมก็หันเลยเขาว่าผมก็แต่ถามนะ ว, ว่าจริงเป็นไรเหรอห อ, อะไรแบบนี้ผมก็เลือกที่จะไม่ถามบอกเขามานั่งพฤติกรรมครอบเยี่ยงนี้พี่ขวัญครับจากที่เขาแบบพรว่าเขาเหนื่อยนี่ผมเลรู้เขาว่าเขาต้องการที่ผ่อนอย่ามายุ่งตงนี้คือวันนั้นเขาจะเบ็ด เองติดแม่าตาให้หมดเลยนะออะไรก็ น, น, นู่นคนที่ไม่เคยจากคนที่ไม่เคยสวดมนต์มาประมาณสี่ปีแล้วันอืนวันนั้นนั่งสวดเแบทบคือหาบทสวดมนต์ในเวทเนื้อนิพนื์ห้องแผลเมตตาอะไรคือคบอรอบเลยนิพนธ์เดี๋ยน ะ, ะคือพฤติกรรมพฤติกรรมของแฟนเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากวปกติ จากคนไม่เคยสวดไม่เคยเชื่ออะไรพวกนี้<อ>เขาไม่เคยเห็นไงแต่ผมมีเซนเพราะผมเคยไปแบบทำบูมิีไปเบิร์ตเมอะไรตัวเนี้ย<อ>ผมจะรู้สึกง่ายแล้วคราวนี้ผมก็งงว่าพอเขาสวดเสร็จประมาณ1ินาทีได้ขวัญผมถามคำานึงว่าเป็นไรหร<อ>ือเปล่าทำไมแปล ก, กจังเขาก็เหลียงหน้าตลอดแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเอง นอนกันดีกว่าพรุงนี้เขาจะเล่าให้ฟังผมคิดในใจแล้วเขาต้องเห็นอะไรแน่นอนครับผมนอนประมาณตีหนึ่งผมตื่นมาประมาณเกือบปีสามเพราะผมหายใจไม่ออกอและพอจะลุกไปแบบล้างหน้าล้างตามไดืน้ำกินข้าวอะไรตัเนี้ยว่าเออแต่มันจะลุกไม่ได้คนระับพี่ขวัญและภาพที่ผมเห็นคือผมอคิดว่าแฟนด้วยซ้าคือมันจะมีเสียงกระดิ่งข้อเท้าพี่ขวัญดัง ติงติงแล้วก็เกีย่ยงลับกลั บ, ลบติงติงกลับอยู่กันเนี่ยออืนี่ผมคิดว่าผมคิดในใจมึง น, น, นี่บ้าหรือเปล่ามาล้ำอะไรตรงเตยีสามตีสี่มึงนเป็นอะไรนี่ฮะเป็นอะไรมากไหมนะคผมคิดในใจด่าเขาครับอือแต่ความนี้คือเขาอะล้ำผ่านหลังให้ผมแต่ความนี้มันช่วงท่อนที่แบบมันเขาหมุนมาครับแล้วมันมีท่อนหนึ่งที่แบบต้องชี้ ชี้แบบข้างหน้าครับอืแล้วเขาชี้ม า, มามามาตรงผมเอ๊ะแล้วเขาก็พูดว่าเอาไปคืนอครับ <c oughs> อ่าแล้วคราวนี้<อ>ผมก็ตกใจแล้วเออเอาอะไรของเขามาวะอออะไรแบนนี้ครับพอคราวนี้ผมก็ป้องจดมนจนหลุดครับพี่ขวัญอ่าแล้วพอแฟนผมตื่นมาตอนตีสีกว่าครับ <c oughs> เขาก็เข า, าฝันว่า มีหญิงแก่คนนึงนุ่งแบบเขาเรียกอะไรเสือ<ช>้อมอนนี่เป็นผ้นเสื้อของคนแก่ที่เขาชอบใจนคสีน้ำตาลนะครอกระเช้าอ๋อครับอประมาณนั้นครับแล้วก็ใส่กับไปก้กางเกงขาวมาพูดว่าพวกมึงออกไปต่ อ, อกไะจากนีห่หมดเลยแต่ของเขาฝันพอเขาตื่นเช้านะ่ะพอแฟนโดนแบบนั้นปุ๊บเขาปลุกผมถึงออกจากที่นี่นเถ อ, อะออกเลยผมก็เก็บของทุกอย่างครับ แล้วมันมีในคืนหนักกว่านี้แต่แฟนผมอ่ะจะเจอหญิงแก่แต่ผมจะเจอนางราหญิงแก่ผมไม่เคยเห็นหอืแล้วพอนี้ผมเก็บของเลยเสร็จเผิญแฟนผมอ่ะมุ่งไปที่รดแล้วครับแต่ผมอ่ะยังอยู่ข้างบนคือแสดงว่าแฟนเราเนี่ยระหว่างเก็บของอยู่แฟนเราลงไปรอที่รถแล้วครับคือที่ง่ผมเก็บของคนเดียวอ๋อแล้วพอนี้ผมเก็บทุกอย่างเสร็จกระโปรงกระเป๋าเลยเสร็จอคือขณะที่ผม กำลังจะปิดประตูะแล้วก็เอื้อมไปปิดไฟครับพี่ขวัญภาพที่ผมเห็นคือหญิงนางรำมะนะอ่าเขายือนอยู่ในห้องน้ํา<อ>ยืนแบบยืนหันหลังให้ด้วยน ะ, ยะครับแลว้วพอเขาพอผมจำภาพจะเปิดจะปิดปุ๊บผมเห็นปุกบผมก็นี่ปิด<อ>แล้วมันมีแม่บ้านคนหนึ่งเข้ามาแบบไอทำความสะอาดท้องข้า ง, าง<อ>แล้วเขาพูดคำหนึ่งกับผมว่าเจอแล้วใช่ไหม เออจดีแล้วใช่ไหมที่นี่ไม่มีใครอยู่ได้หรอลูกบาวเออวะผมก็บอกป้ามีอะไรหรือเปล่าออืแต่เขาก็เล่าบางว่านี่นี่ลูกบ่าวมามาดูอะไรนึ่เดี๋ยวป้าจะเปิดให้ดูครับเขาเปิดไอ้ตู้ไม้นะครัพี่ขวัญเครื่องเส้นทั้งตู้ไม้เลยครับเครื่องเส้นในตู้ไม้ไอ้ตู้ที่เราบอกแต่แรล้วนะครับนั่งน้ํำนะทั้งทั้งหมดเลยอยู่นั่นมันเลยมีเชี่ยนมามี พูดมีอะไรทุกอย่างขนมหวานอะไรแล้วท <gettable>, e oh, ํานี้ผมถามว่าเอาป้าแล้วทำไมเจ้าของโรงแรมให้ผมมานอนที่นี่ล่ะยังไงเน่บอกว่าเต็มแล้วเขาบอกว่าห้องนี้คเอ่อยูถ้าไม่จําเป็นจริงๆอะช่วงเทศกาลน่ะเขาจะเปิดให้รับเขาจะเปิดรับจริงๆครับแต่ช่วงวันอื่นเขาจะไม่ค่อยเปิดแต่ช่วงเทศกาลคือยังไงก็ได้ครับเวลุ่มแล้วผมถามว่า แล้วเขาเป็นอะไรเสียเออพี่อยากรู้เหมือนกันเออเขาเป็นไรอะบุ้มป้าเขาบอกว่ายายคนเนี้ยเขามาพักกับค่อครัวแล้วก็เอนเขาเหมือนกับว่าหลงๆลงืมๆแล้วโดนโดนแบบเหมือนกับว่าโดนอเขามามีเพาะมีลูกเขาคนนึงแล้วก็ลูกสะภ้ายนะแต่ลูกเขาลูกสะพ้ายประมาณห้าปีกว่าแล้วแล้วก็หลานอีกสามคนแล้วเหมือนกับว่าหลานคนเนี้ย อีกคนนึงอ่ะคือตอนนั้นทุกคนอ่ะไปเข้านอกหมดครับเลลานแบบเหมือนกับว่าแบบมีปัญหาทางจิตนะครับแล้วก็เล่นยาอะไรหนะักประมาณนั้นแหละครับอ่าแล้วแถวนี้หลานคนนั่นเหมือนแบบฆ่ายายคนนี้แล้วชิงทรัพย์อ่ะครับอ่าประมาณนั้นแล้วผมบอกว่าเอาแล้วยินยานเขายังไม่ไปอ๋อพี่แล้วก<อ>าคือทำไมเขาต้องมาอยู่แบบนี้แต่บอกว่ายินยันอ่ะเขาอ่ะรอ ลูกลูกอะ่ะตั้งแต่เสียปุ๊บอะ่ะคือในขนาดที่พ่อแม่ลูกของเขาอะ่ะไปทั้งนอกอะ่ะลูกของเขาไม่ได้กลับมาที่นี้ลูกของเขาคือไปคือกลับกลับบ้านเลยเแล้วก็ปล่อยให้ยายอะ่ะอยู่กับหลานแค่ลําพังอ่ะครับเหมือนว่าทิ้งไว้อย่างเงี้ยเหรอครับผมเฮ้ย <Hey. S 2> เหมือนแบบเหมือนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ hmm. ตพราะนั้นคือพอเขารู้ข่าวรู้อะไรเขาก็ไม่เคยคือไม่เคยมาเลยครับ มาด้วอนโชยะไรมามีแต่เจ้าของโรงแรมเขาก็ทําแบบเงี้ยเงี่ยปะครับอ๋อและคราวนี้ไปเอกใจเรื่องนางรำคนนั้นคือใครอ๋ออ่นั่นแหละนี่คือนี่คือเรื่องของนางรําที่พี่ขวัญสงสัยอยู่เนี่ยเอ่าครับแต่นี่คือแฟนผมมาโดนนี้แต่ผมรู้แล้วว่าอันนี้คือโอเคเข้าใจแล้วคือคือเขาเป็นสงใจเจ้าที่หรือแบบวิญญาณอะไรในห้องนี้ออผมก็รีบลงไปที่เคาน์เต์ ผมตอนนั้นผมก็โกรธนะพี่คือหัวเสียสาเคาเตอร์เนี่ยเอว่าคุณนี่ห้องคุณมีแบบนี้คุณทำไมคุณไม่บอกเต็มไปเลยล่ะผมได้ไปหาที่อื่นผมได้ขับรถกลับบ้านเลยอะไรกันนู้นกันนี้ออืเขาบอกว่าอะไรน้องพี่ขอโทษนะพอดีเห็นน้องมาแบบเออเหนื่อยลีบพี่ก็เลยให้ว่าแล้วคาวนี้ผมบอกคุณรู้ไหมว่าแฟนผมอ่ะ่นภาวาหมดแล้วเห็แบบนี้อแล้วพอคราวนี้ เขาอ ย, อยู่เขาเกิดมาน้องถามแม่มาด้วยหรออะไรนะอะไรนะว่าว่าเขาเกิดมาพูดว่าเอาน้องน้องถามแม่มาด้วยเหรอ อ, รอัอ น, อ น, อนอ แ, อ แ, แบบนี้คแล้วคราวนี้ผมก็ถามแม่ไหนพี่อะไรตอนนี้เขาบอกว่าตอนที่พี่แต่น้องไอพี่สาวเขเนี่ยเขาไม่รู้ว่าห้องนี้มีอะไระแต่เขารู้แค่ว่าห้องเนี่ยแบบอ่มีพวกแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นรักสถะยังไงอแล้วคราวนี้ ช้าๆช้าๆภูมิครับภูมิช้าๆเดี๋ยวชูเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวภูมิเล่าเร็วเดี๋ยวมันจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับภูมิช้าๆนะครับครับเขาบอกว่าตอนที่เขาเอาน้ำเปล่าผ้าคุณหนูอะไรไปให้เนี่ยเขาบอกว่าเข้าไหว้ผมมานอนอยู่ตรงตรงเตียงแล้แฟนเน่ยอยู่ในห้องน้ํำเขาบอกว่าเห็นยิงแกแบบชุดเดียวกับที่แฟนผมบอกเลยคือนอนข้างผมอแล้วก็หันหน้ามาทางผมแบบนอนตะแคงครับแล้วเหมือนแบบ ทำหน้าแบบเฉ ย, เฉยอะไรแบบนี้ครับอ่าแล้วเขาบอกว่าแล้วนี่ผมบอกผมบอกโอเคครับพี่ที่ผมผมพูดจริงๆนะพี่นะผมมากับแฟนสองคนอืมแล้วเขาก็บอกว่าแล้วคนที่นองคือใครอเน้อเอาเอแต่ว่านั่นแหะคนที่นอนนั่นแหละที่แฟนผมเห็นผมเลยต้องย้ายตั้งแต่ปีสี่ปีห้าพ่อในนะโอครับแล้วพอครั้นี้ผมสัมลาดที่ขึ้นรถพอผมถึงบ้านสายแรกที่โทรมาหาแฟนผมคือคือ คือเพื่อนของแฟนผมที่อยู่ทีมเดียวกันครับเขาบอกว่าเขาลืมเสียญของครูโนโดาไว้ในรถแบบนี้ครับคือเสียญของของนางรำนะครับเป็นนางราครูครู<อ>นางรำครับก็<อ>ไว้ไว้บูชาครั บ, รบไว้ในรถเออันหนึง่งแล้คราวนี้ผมก็ถามว่าแล้วอยู่ตรงไห น, ออไหนเออออะไรวบบ น, นี้ผมไปดูตรงหลังรถแล้วมันจะมีกองแบบกองใส่ผ้า อ, อแล้วผมเปิด ก็มีจริงที่คือเสียนนางราแบบยุคคือเสียนเดียวกับที่ผู้หญิงคนนั้นใส่หัวอะไรเนเสียนเดียวชุดเดียวกันมีทุกอย่างเอ๊ะนครับนี่ผมก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเอาไปคืนให้ครพอผมไปถึงหน้าบ้านเขาเขาก็เอ่ยมาว่าเอ้าไหนบอกว่ามากับแฟนสองคนแล้วนั่งใครอยู่ในรถไม่เรียกเขาลงมาทีมเดียวกับของเราเหรอออแล้วผมบอกว่าไม่ใช่ แล้วผมก็เล่าทุกอย่างมาฟังว่าเนี่ยเจอนางราแบบเนี้ยแบบเนี้ยเออามีรู้ไหมว่าไม่ชอบเลยเรื่องแบบเนี้ยแฟนเขากลัวนี่ไปที่โรงแรมก็โดนแบบนี้แล้ในรถก็โดนแบบนี้ครับแล้วพอคราวนี้ผมอ่ะผมเลยแบบบอกว่างั้นเอาเสียนไปแล้วเขาอ่ะกลับไปอยู่กับเธอเลยนะคืออย่ามาโม้อะไรกับเราบเหมือนกับเหมือนกับประมาณว่าเรียกเขากลับไปด้วยนะครับคือเรียกเรียกเขากลับไปด้วยครับเออแล้วพอคราวนี้ผมเอาเสีย ส่งหเขาไม่เหมือนกับว่าเขาไม่กลับนะครับ hmm? คือเขาจะอยู่กับเขาจะอยู่กับแฟนผม oh. เพราะเขาบอกว่าคนที่เขาไปอยู่เนี่ยเออไม่มม oh. ค่อยมันทําบุญค่อยดูแลเขา oh. แต่แฟนผมอ่ะจะตักบาตรทุกเช้า oh. จนตอนนี้ก็คือตักบาตรทุกเช้าครับ oh. ไม่คือจะเข้าวัดตลอดแต่ไม่ได้เข้ามาทําบุญแต่คือจะไปวัด oh. อาทิตย์หนึ่งเข้าไปห้าวันนะครับ oh. เขาไปคน oh. เดียวอะไรกัน เ, ย เ, ยเนย เขาบอกว่าที่ที่ตามอ่ะที่มาลําอะไรแบบเนี้ย mm. ออาเพราะว่าเออคือแบบอยากมาอยู่ด้วยอะไรแบบเนี้ยเพราเขา mm. ไม่รู้ก็ยังไงครับแล้วผมแรงกับแฟนว่าเอาแล้วเห็นเขาบอกว่าให้เรามาคืนทำไมเขาให้เรามาคืนละ่ะเออนั่น แ, แหละ ก, กับเราครับแล้วเขาเขาแล้วคราวนี้เพื่อนเขาบอกสงสัยคงเป็นแบบ mm. คือแบบอยากมาอยู่กับเจ้าของเพราะเขาเห็นว่าเราแบบ ผมอะเป็นคนอิสลามอื่อเขาบอกว่าถ้าเขาไปอยู่อาจจะแบบคือผมไม่เคยทําบุญนะครับที่ว่าคือแบบไม่นั้นอะเอ่อแต่แฟนผมจะหมั่นทําอืำในความนี้ผมบอกว่าเออผมเรียกว่าเองให้เขาไปอยู่ในที่ของเขาเถอะเรารับเขาไม่ไหวหรอกถ้าเขามาปรากฏตัวเราเห็นแบบนีน้นี่ก็คือมัน จิตมันก็ปั่นป่วนไปหมดนะเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยคือแบบมันก็ไม่ดีนะเองนะแต่คราวนี้ผมก็เออส่งเขากลับอะไรแบบนี้นเขาคิดแล้วเขากลับเลยแต่พอมาถึงบ้านแม่บอกว่าเอาพาเพื่อนพาไอ้เพื่อนของไอ้กวางมานอนเถอะพุม<อ>่มแลว้วคราวนี้ผมบอกแม่หนูมา ก, กับกวางสองคนแม่แล้วเขาแล้วแม่ก็อึง้งอึ้งมากแล้วคราวนี้ผมก็ขึ้นไปบนห้อง คือทำทุกอย่างเสร็จคแลก็คือพ่อผมมาเสียอ่าครับแล้ะคราวนี้มันมีแบบเสียงคือเสียงพ่อหมนะครับเอ้พูดคำว่ามึงพาใครเข้ามาคือเสียงผมจําได้เลยว่าเสียงพ่อ ค, คือผมกําลังเดินขึ้นบันไดทุกอย่างเนี้ยหมดได้ยินเสียงแบบข้าโหเลยว่ามึงพาใครเข้ามาไอมันไม่สมควรที่มึงจะพาเข้ามา มึงให้เขาออกไปเดี๋ยวนี้คือได้ยินแบบเนี้ยผมก็ผมว่าผมใส่ข้อตามมาแน่เลยตอนแรกเพื่อยายยายคนนั้นนะเออแล้วคราวนี้ผมก็นอนกับแฟนไอ้แอปแอปแล้วคราวนี้แฟนผมว่าอีวู่งลุกขึ้นลุกขึ้นเด้นตัวนะพี่แล้วก็ลัมลัมลำมโฟนเลยเออลำแบบ คืแบบน่ากลัวมากที่สีพาอย่างไรแบบร้องเพลงไอเง้เขาเรียอะไรเพลงเพลงเก่าๆอ่ะครับไม่ใช่ยุคเราอ่ะคือร้องเพงเหมือนเพงมอนเพลงอะไรนะทุกอนคูอแบบผ ม, มนี่ก็ตกใจนี่ยิ้หาแม่คือแม่ผมเขาจะแบบมีเชินั่นนี่แต่เขาไม่ชนะไม่เขาแบบเขารู้ว่าต้องทํำยังไงครับแล้วเขาเดินเข้ามาเขาบอกว่านี่ใครบอกหน่อยเออ่านี้ผมก็บอกแม่กวางกวางอันนี้ก็เป็นเสียงที่ได้กลับมา มันเป็นเสียงคือแฟนผมจะเสียงใหญ่แต่นี่คือเสียงเล็กมากส่วนบอกว่าเอออะไรชั้นชื่ออะไรเด็เป็นเหมือนบอลนะครับเด็ดเป็นก็ถามเด็ดครับอ๋อครับอะไรเป็นเนี้ยแล้วครั้นี้ผมก็บอกว่าคุณกลับไปอยู่ที่ของคุณเถอะอย่ามาแฝงหน้าแฟนผมเลยผมนับคุณไม่ไหจริงผมกลัวเพกลัวผมกลัวเรื่องคำนี้แล้ครั้งนี้แล้วพอเขารำเสร็จแล้วเขาชี้หน้าผมว่า กูมาอยู่กับมึงมึงไม่เคยทําบุญให้กูมึงอะอะไรแบบนะเหมือนเหือบไม่เคยทําบุญให้กูไม่เคยแบบมาดูแลกูแท้ๆ ท, ที่กูอยู่แบบับ อ, อยู่กับมึงแท้ๆแต่มึงไม่เคยเหลียวเลกูเลยอะไรแบบนี้ <c oughs> นะครับผม <c oughs> ผมก็เลยต้องโทรให้เพื่อนผมคนคนคนที่มันจะเอ้าของเสียนะ <c oughs> มาเอาเพื่อนเปนเจ้าของเสียนมาเพื่อนบอกว่ากู ครูกลับไปอยู่กับนุ้อเธอทีอ่นี่เขาแต่รานก็ทําบุญให้ค ร, ครไูไม่ไม่ไม่คล่องตัวหรอกครูมาอยู่กับนุ้ยเธอแล้วก็แฟนส่ก็สลบสลบไปปุ๊บคราวนี้ผมก็เอาคือเสียดตอนั้นอยู่นั่นแล้วแล้วก็คราวนี้เขาผู้หญิงคนเนี้ยเขาเอารูปปั้นของของกองแกะครับที่เป็นเป็นรูปปั้นเลยประมาณนิ่ฉะอันุกลางนุ่ชี้นะครับคือที่เขาอยู่กับเขาครับแล้วพอคือนนี้ก็คือ เจ็ไปแล้วพออีกวันหนึ่งผมฝันว่าพ่อมาเข้าสิงไอไม่ใช่มาเข้าสิงมาเข้าฝันว่าแกพูดกับผมว่าว่าไอบมานั่งคุยกันนะพี่คือแบบเหมือนมีชีวิตแล้วว่าวันหลังน่ะใครขึ้นรถหรือทำอะไรในรถต้องตรวจ ด, ดูถ้าเขาเอาของพวกนี้ามามไม่ดีอะไร<ห>แบนี้ครับ ครับนั่นพอนั่นทุกอย่างมันก็ถูกปกติแล้ครับที่ผมเจอไม่อะไรแล้วครับโอ้โนี่ครันี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเสียงเสียงเสียงที่มันออกอากาศไปมอาจจะฟังได้ชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาหลายหคนเดี๋ยวผมค่อยอ่านละกันแต่ว่ากลับมาที่เรื่องนี้ก่อนนะครับย้อนกลับไปที่โรงแรมก่อนตู้นั้นน่ะทำไมถึงมีเครื่องเส้นอะไรขนาดนั้นทำไมโรงแรมก็ถึงไม่ทําพิธีหรือว่าอะไรอย่างอื่นเลยฮะนอกจาก ผมถามป้าครับป้าเขาบอกว่าทําไปแล้วทําทําทุกรอบวันป้าใหญ่ก็ทําแต่เหมือนกับว่าเขากําลังเสร็จเป็นจิตแบบจิตแบบรอลูกรอหลานนะครับเพื่อให้มารับตกเมือนเขาเป็นคนแบบน้อยใจอะไรเปรื่องคนเสกเเนี่ยครับน่าสงสารแต่ปิดกว่าแล้วครับครับน่าเสาะคุณป้าเนาะลูกหลานนี่คือใจร้ายใจร้ายทิ้งได้ลงคอแต่ไม่มาไม่มาเลอเลยโอ้โหนะครับแล้วก็อีกเด้งหนึงก็คือเสียงของที่เพื่อน เพื่อนของแฟนเราบูชาไว้หรือไว้ในรถนั่นคือสาเหตุแตมันย้อนแย้งคือว่าทำไมเขาถึงลําแล้วก็ชี้นิ้วมาทางเราแล้วบอกว่าให้เอาไปคืนนะแต่ใจเขาบอกว่าเขาอยากอยู่กับเราก็เลยแปลกๆฮะคือนางลําคนเนี้ยเขาไม่ได้อยากอยู่กับผมเขาอยากอยู่กับแฟนผมอ่าเข้าใจแล้วเหมือนกับว่าแฟนไอ้เพื่อนแฟนผมว่าที่เขาบอกว่าเอาไปคืนคือให้ผมอ่ะคือมันอยู่ในรถรถของผมนี่คือผมเอารถตู้ไปวันนั้นอใช่ใช่เขาเหมือนทํานองว่าเอาเสียนเนี่ย ไปอยู่ในในอีกรถหนึ่งอะไ ร, แบ บ, รบไแบบแบบนั้นนะครับไปอยู่กับแบบนั้นนะครับเอแต่ผมคือผมเลยบอกว่าอย่ารับเลยผมไม่เอาเรื่องแบบนี้อืมอ่าโอเ ค, คนี่คือเรื่องราว ท, ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะภูมินะครับผมได้เลยครับคุณภูมิอย่าล้อลุ้นนะครับว่าคืนนี้เรื่องของภูมิจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่านะครับครับผมยังไง<ด>ขอบพระคุณคมากๆเนาะสำหรับเรื่องนี้นะฮะแค่เกิดว่าคราวหน้าไปจะเจอเรื่องราวแปลกๆมาว่างๆโทรมาอีกนะ ได้เลยครับผมขอบคุณมากครับได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ